เพราะความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายแต่ร่วมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาแต่เนื่องจากตัณหามันครอบงำชีวิตคนอยู่ทุกวันก็เรียกว่าวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรามีกระแสตัณหาทวนทับใจอยู่เยอะจึงนั่งนำท่าผู้ฟังไปศึกษาจากแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะย่างยิ่งคือในพระบาลีที่เป็นพระพุทธวจนะและที่เป็นวาทาของพระโบราณอาจารย์สึ่งท่านได้จำแนกแสดงก็คล้อยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือชื่อตันหานั้นจะเรียกเยอะมากเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงอาการมันเหมือนอาการไร้รำยกตัวอย่างว่าอาการไร้รำ การได้รำส่วนมากก็ยุ่ยยวนในเกิดความกำหนัดเกิดความบันเทิงรื่นเริงใจแก่คนที่ดูการได้รำถ้าเราถ่ายเป็นภาพไว้แล้วฟิล์มนั่นมาดูมันกิริยาท่าทางในการเยื้องกลายไปในไร่ราไปนี่มันเป็นหมื่นหมื่นท่าะไรแต่สรุปแล้วก็คืออาการไร้รา มีการประสานสอดคล้องร้อยรัดกันแต่วน้มน้าวจิตใจของบุคคลไปสู่ผลที่ตนต้องการคือยั่วยุให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแล้วก็ใจของผู้ดูก็จะต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นมีความกำหนัดเพลิดเพลินด้วยความชื่นชมยินสินยินดีเหล่านั้นแลเมื่อแสดงหลากหลายไปไปยินดีกันเรื่อยๆก็ดูแลดูอีก ดูซ้ำดูซากกันจะไ้ที่ปัญญาไม่ปรากฏแก่ใจนี่มันไม่มีทางที่จะสลับตรงนั้นออกไปได้เพราะน้าแต่เรามองดูตัวอย่างบุคคลเช่นว่าพระโพธิสัตว์ของเราก็อยู่ท่ามกลางแสงสีที่วิจิตงดงามสะการตามีการไร่รำบำบุงบำเรอกันด้วยวิธีการต่างๆ พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นสาวสรรกำนันนายเป็นศพเลยนะต้องเห็นเป็นศพเลยจึงบรรเทาตัณหาได้แล้วก็ถ้าเราดูว่าพระยาศะเองก็เห็นสาวสารกำนันนายเป็นศพแล้วก็บรรเทาตัณหาได้ภาษาดิบุตรพระโมคคลลานนะเห็นการแสดงมรศุบนภูเขาที่กรุงราชชึก มีการสนุกสนานบันเทิงหรือเรืองใจมีการให้รางวัลเช่นชมยินดีปรบมืออะไรก็แล้วแต่นะด้วยความกหนัดความเพลิดเพลินในตอนนั้นปัญญามีกำลังไม่มากพอมันไปสลายตัณหาไม่ได้ตัณหาก็กระซิบใจให้เราเห็นว่าตรงนี้ไพเราะตรงนี้สวยตรงนี้งามตรงนี้เป็นศิลปะก็ว่าไป แต่ประวันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยท่านเกิดคิดเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรตั้งคําถามขึ้นมาว่าได้ประโยชน์อะไรจากการดู ก, การแสดงในลักษณะนี้พระทั้งผู้ดูทั้งผู้แสดงนี่แก่ลงทุกขณะเลยแล้วในที่สุดทุกคนก็ต้องแก่ต้องตายต้องจากโลกนี้ไปความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจมันไม่ได้ให้อะไร แตพิ่มความประมาทเลินเล่เอเพลไปกับอารมณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นตัวแสดงทั้งหลายเองก็ไปทำจิตใจของคนผู้ดูให้แปรผันไปมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความยินร้ายเส่นที่จะเกิดบุญมากลายเป็นการเกิดบาปเกิดบาปและพอความคิดสอดคล้องกันรเราสมมติว่าสร้างสถานาการณ์สมมติขึ้นมาว่า สมมว่าสารีบุตรคิดอย่างนั้นแต่โมคคลานะไม่คิดตามอย่างนั้นเนี่ยก็เถียง ก, กันกว่าจะออกมาได้เนี่ยคงจะใช้เวลาอีกหลายเดือนแต่ว่ามันเห็ น, หนคล้อยตามกันหมดแล้วพอบริวารเองก็เกิดเห็นคล้อยตามบริวาณครึ่งหนึ่งนะเกิดเห็นคล้อยตามเดี๋ยวครึ่งหนึ่งไม่เห็นคล้อยตามลักษณะเหล่านี้จะค่อนข้างชัดนะถ้าเราดูตัวอย่างบุคคลอย่าง พวกกลุ่มภาษาดิบุตรนจะชัดมากเพรอารมณ์อย่างเดียวกันองค์ธรรมเดียวกันแต่พื้นฐานจิตที่แตกต่างกันมันแยกคนเหล่านั้นในลักษณะที่เรียนหลังให้กันเลยจากคนที่อยู่เป็นครูบาอาจารย์เป็นปริวารกับลูกน้องเป็นนายกับผัวหน้านี่ยนะกลับมาหันหลังให้กันเลย ตวกลุ่มของสันชัยสองร้อยห้าสิบก็ไปทางเลยกลุ่มของภาษาดีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไปอีกทางหนึ่งเป็นพระหันไปเลยพระเจ้าทรงชี้ให้เห็นถึงตัวการสาคัญว่าอยู่ที่ความคิดของบุคคลสาคัญว่าเธอคิดยังไงอะเรื่องมันเดียวกันนั่นเองฮะเรื่องเดียวกันเลยเธอคิดยังไงคนที่มีความดํำริผิด เป็นทางเดินของจิตนี่จะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระในที่สุดจะจบลงด้วยการไม่พบสิ่งที่เป็นสาระแต่ในขณะเดียวกันถ้าเข้าดำริดชอบเป็นโคจรจิตมันดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความคิดชอบความเห็นชอบความคิดชอบก็จะเห็นตามความเป็นจริง เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระไม่เป็นสาระเพาไม่เป็นสาระแล้วเขาก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระตอนนี้เราลองสังเกตว่าเหมือนกับพูดเล่นนะเช่นสมมติว่าไอ้ข้าวเปลือกมันปนอยู่กับข้าวสารเนี่ยถ้าเราจะสอนใเด็กแกเลือกออกเด็กแกต้องศึกษาเรียนรู้แยกระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวสารอยู่นานพอสมควรสิ่งจะแยกได้ แต่บพอคนมีความจำนานนะก็หยิบออกหยิบออกปั๊บปับปบป๊บดูไม่ทันเลยก็หยิบได้เลยนั้นก็แสดงว่าความชัดเจนในเราความแตกต่างในเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยเห็นคุณเห็นโทษชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควรได้ในคราวหนึ่งอาชิตมานบได้มากราบทูลถามปัญหา ในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเราทั้งอธิบายลาักษณะปัญหาไว้เยอะคือคำพีพวกพวกพวกนี้ธรรมะแต่ละข้อเนี่ยจะให้ความวิจิตพิสดารไว้มากก็อยู่ในพวกขุตากาศนิกายก็ยังไม่ได้นับนะฮะว่ากี่ข้อแต่ยกตัวอย่างมา ให้ฟังแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสังเกตลักษณะความคิดจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นตัณหาเพราะเราแปลตัณหาว่าจิตที่ดิ้นรนเขย่าแต่ยานยาวก็ในกามในความเป็นตลอดถึงในพบและในความไม่เป็นตลอดถึงว่าการปราศจากพบจนถึงกระตายเกิดตายศูนย์นั่นนะ ตัณหานั้นท่านจำแน่แสดงเอาไว้เจนว่าตัณหาเรียกว่าชัป่าเปีว่าผู้กระซิบเป็นความกำหนัดเป็นความยินดีเป็นความพรอยยินดีเป็นความเพลิดเพลินเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดแห่งจิตความอยากความปรารถนาความหลงความติดใจความผัวพันความคล้องความจนความจุมคือจิตมันมันหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหลนี้ย้ำคิดย้ำ นึกอยู่กับเรื่องเนั้นความหวั่นไหวความลวงธรรมชาติอันทําให้สัตว์เกิดธรรมชาติอันให้สัตว์เกิดกับทุกขธรรมชาติอันเย็บไว้คือว่าผนึกคนติดไว้กับสิ่งที่เขาชอบนะอะไรก็ไม่รู้หมายความว่าจับใดที่สลัดตัณหาออกมาไม่ได้เบิ้ก็เหมือนก็เย็บติดเอาไว้คือตอกจึงเอาไว้แล้วจึงพบ ชื่อเหล่านี้เรียกในภาษาต่างๆเรียกกันทะเปรียวเครื่องร้อยรัดบ้างเรียกว่าโอคะเปโอพัดผันบ้างเรียกว่าโยค่าเปไวประกอบหรือขังสัตว์ไว้ในภพบ้างเรียกว่าอาสวะคือสะสมหมักหมมอยบ้างชื่อที่เรามาเรียกนั้นจะใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมเพื่อง่ายต่อการทําความเข้าใจแต่เราก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งนี้ที่จริงมันเป็นนามธรรม มันเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตของบุคคลจนถึงกับเป็นธรรมชาติอันทําให้สัตว์เกิดตัณหากับความเกิดเนี่ยเป็นปัจจัยของกันรอะกันคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับความร้อนกับไฟแสงสว่างกับไฟเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องถึงกันถ้ายัางเดินดับยังนึ่งก็ได้ เช่นสมมติว่าเราต้องการจะดับร้อนเนี่ยดับที่ไฟนะเราต้องการจะดับเย็นเราก็ดับที่ไฟเหมือนกันเช่นสมมุติว่าเวลาเนี้ยมันมันเครื่องปรับอากาศเครื่องอะไรเนี่ยเราต้องการดับดับเย็นเราก็ดับสวิตไฟเหมือนกันโดยสุดมันก็นนกลายเป็นความไม่เย็นก็คือกลายเป็นความร้อน อ, อธรรมชาตินั้นให้สัตว์เกิดกับทุกธรรมชาติอันเีบไว้ธรรมชาติเป็นดังปัดขายคือเหมือนกัสัตว์ที่ติดตะไคร์ธรรมชาติอันไหลไปธรรมชาติอันสั้นไปในลมต่างๆความเป็นผู้หลับความกว้างขวางธรรมชาตินันให้อายุเสื่อมความเป็นเพื่อนก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเราสึกเป็นเพื่อน คือตามปกติตันหาเวลาเขากระซิบใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นมิตร ม, ม, มีความอบอุ่นมีความอบอุ้มคุ้งครองมุ่งดีปรารถนาดีเรามักจะมีความรู้สึกอย่างนั้นความตั้งใจไว้ธรรมชาติอันเป็นเหตุนำไปสู่พบธรรมชาติเพียงดังว่าป่าธรรมชาติเพียงดังว่าหมู่ไม้ในป่า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 ว่าหมหาสมุทรเนี่ยไม่เต็มด้วยนะ้ราะจิตใจของสัตว์โลกจึงไม่เต็มด้วยแรงปรารถนาโดยการปรักสัยขังตนาตัณหาถึงท่านจึงสอนไม่ให้เหยื่อมันเราเห็นว่าวิถีชีวิตวิถีสังคมแบบคุดเนี่ยเอาไม่ต้องเอาไกลหรอกเราเอาขนาดสีเนี่ย เราสังเกตว่าศีลห้าเนี่ยถ้าหากว่าคนรักษาได้มันลดกระเสตัณหาได้เยอะแล้วพอไปรักษาศีลบสถก็ฝึกลดตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายความอยากกินอยากป้อนรำขับร้องประโภมดนตรีดีดสีที่เป่าดูการเล่นต่งตางๆความอยากประดับอยากสวยอยากงามอะไรต่ออะไรเนี่ยมันบรรเทาไปเลย อยากนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในยภายในมีนุ่นสมรีเครื่องลายพิจิตรงดงามเนี่ยมันจะบรรเทาความอยากไปดีืยๆแต่ว่าถ้าปล่อยแกเนี่ยแกจะมีความมุ่งหวังมีความคาดหวังมีความปรารถนาที่พื้พพานไปเรื่อยๆเพั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่ามีความกระซิบ จางนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนี้น่าไปอย่างนี้น่ากินอย่างนี้น่าสนุกรูปนี้สวยเสียใี้ไปรับแกก่อซิปกนกัเร่ๆแ ล, แล้วก็สวดมากอะคนมันอ่อนไหวเมื่อเขาไม่ได้ถามมาแล้วจะเอาไปทําอะไรแต่มันได้อะไรขึ้นมาแน่นอนการโฆษณาการเชิญชวนจักชวนของผู้กลุ่มผลประโยชน์ทางหลายนั้นก็พูดดีแหละพูดเพราะแหละแต่ว่าคนเราจะต้องถามใจเราเองว่า เราปรารถนาไปเพื่ออะไรแล้วได้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถึงแน่นอนว่าตรงนี้ยมันเป็นลักษณะปัญญาพอปัญญาเขาเกิดเนี่ยไอแรงกระซิบของปัญหามันเกิดจะไม่ค่อยบงงั้นคงเพราะว่าปัญญามันจะถามมันจะถามว่าทำไมอย่างไรเพราะเหตุใดเพื่อประโยชน์อะไร แล้วถ้าไม่ทำมันจะเป็นอะไรขึ้นมาถ้าไม่ดูมันจะเป็นอะไรขึ้นมาคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในขณะที่เราดูเราบอกถ้าเราไม่ดูแล้วจะเป็นอันตรา ย, ยคนไม่รู้กี่แสนล้านไม่รู้กี่พันล้านเด๋ยวก็ไม่ให้ดูเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็เหมือนกับอย่างนี้นะ มือนกับเลิกผานาทีต่างๆที่เราไปหวาดกลัววิตกกังวลนะ่ะคนทํากิจกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างกางลางๆบางในเยอะในวันนะ่ะทุกทุกวินาทีเนี่ยมันมีทียิบแบบเขาทําอยู่ตลอดในเวลาเดียวกันนะขณะเดียวกันเนะต่างคนต่างก็ทํากันไปมีคนดูเรื่องส ก, กิลคนเช่อแล้วที่เขาทําในถ้าคนไม่ดูเรื่องตามที่เราเชื่อแล้ว เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาเป็นจริงหรือเปล่ามันก็เปล่าเพราะตั้หาพอแกกระซิบได้น้อยลงพอปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันจะตั้งคําถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าเราปล่อยให้แก่กระซิบเนี่ยเราจะไม่มีเหตุผลไปที่อดแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็ให้คําตอบแกตัวเองไม่ได้ว่าแล้วออกไปทําอะไร บางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นไปจับพยานไปการยืนยันว่าตัวเป็นโจรตัวเป็นขโมยตัวค่ายาบ้าตัวอะไรต่วอะไรเนี่ยครอบครองสิ่งที่ผิดกฎหมายเอาไว้เพราะอะไรเพราะเป็นอาการของตันหาแล้วเวลาแก้ต่างอะไรมันก็ไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลอะไรอย่างวันก่อนนี่มีดูข่าว ก็จับจะบ้าได้เท่าไรห้าหมื่นเม็ดหรือเท่าไรเนี่ยมันก็ซ่อนไว้ในเบาะของรถรถเก๋งด้านด้านหลังตำมวดทางหลวงก็จับได้แกก็ไม่รับแกก็บอกว่ามีคนจ้างให้ขับรถมากรุงเทพคือมันต้องมีเหตุผลว่าเขาจ้างมาขับรถมาทำอะไรคือในแง่ของความเป็นจริงนะ แต่เราต้องการส่งรถมาข้าวกรุงเทพในเราขึ้นรถไฟมันก็สบา ย, ลยแล้วไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยถ้าเขาขับมาเอยเจ้าของก็นั่งมาด้วยยัยงปูกฟังออกนี่เจ้าของก็ไปนั่งมาให้เราขับมาคนเดียวขับมาเพื่อเอารถมาไวที่กรุงเทพเลยเออทําไมเขาไม่ใช้การขึ้นรถไฟลนะ่ะขึ้นรถไฟมันง่ายกว่าตั้งเยอะ อันนี่คือไม่มีเหตุผลพราอธิบายแล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าแกคืนพูดไปมันก็มีพิรุธไม่มีเหตุผลที่บอกฝังได้เพราะอะไรเพราะนั้นคือการกระทําด้วยอํานาจของโมหะแล้วจริงๆเนี่ยแกก็รู้นะคือทําด้วยน่าตัณหาแต่มันจะมีโมหะคือมันมองไปในด้านเดียวหรือด้านที่ตัวเองจะได้แต่ไม่มองว่าเมื่อถูกจับกลุ่มเข้ามามีการชักถาม แล้วก็วิธีการของพนัก ง, งานสอบสวนเนี่ยเขาเก่งก็ซักจนออกมาจะได้ก็มีวิธีซักเขาก็มีวิธีพูดเขาพวกนี้มันจะกระซิบถ้าปล่อยให้มันกระซิบอยู่จะด้านเดียวนะเราจะแย่เพราะนั่นแต่เห็นท่าไม่ดีมันต้องรีบใช้ปัญญาตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบให้ได้แต่ความกระซิบ ความกระสิบทั่วความกระซิบยิ่งกริยาที่กระสิบความเป็นผู้กระสิบความโลคพวกนี้ชับปาเนี่ยมันเยอะเลยที่วันผูเน้เป็นเป็นผู้ที่กระซิบใจก็เป็นกริยาที่โลคเสร็จแล้วมันแสดงอาการตัวความโลคเนี่ยแสดงอาการกริยาออกมาให้เขียนว่าเรามีความโลคออกมาแววตาออกมาท่าทางออกมาจากกริยาอาการ แล้วใจิตใจก็จะหวันไหวด้วยแรงของความโลภที่ัำเกิดขึ้นจนเป็นมีความเป็นผู้ต้องการให้สําเร็จความกําหนัดผิดธรรมดาเกินมากเกินไปความโลภที่มันมากเกินไปที่เราเอาพิจาวิสมาโลภะความใคร่กิริยาที่ไคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความประสงค์กา ร, รมตระหนาเพราะว่าตระหนาเป็นร้นนยาวเลยนะทา่านแสดงไว้ นับแล้วก็เป็นร้อยๆคืออย่าลืมนะตัณหาเป็นนามธรรมแต่ว่าคําเหล่านี้ลองสังเกตว่ากิริยาที่ท่านแสดงเนี่ยมันมีรู ป, ปรธรรมเข้ามาเป็นสื่อถ้าเราพยายามเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็มองเห็นโทษมองเห็นโทษกับตัณหาเนี่ยแม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคุมกระแสะของตัณหาอย่าให้สูญเสียการส่งตัว เพราะว่าคนที่ทำอะไรไปตามแรงตัณหานั้นมันรู้สึกสะใจผ่อนใจในตอนต้นๆแต่ตอนปลายเนี่ยจะยุ่งยากสับสนมากมายกายกองและถ้าให้เขานับหนึ่งใหม่เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไม่เอาเพียงแต่ว่าในขณะที่ทาลงไปหรือพูดลงไปเนี่ยจิตใจมันมากเนืองนองไปด้วยกระแสของตันหา แล้วแกก็นึกไม่ออกตัณหามันหน้ามืดมันทําให้หน้ามืดปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ตัณหาเดียกรรมต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมืองเราไม่ใช่ในบ้านในเมืองในโลกเราตั้งแต่โลกมีคนมาคืยถ้าเราจับหลักง่ายๆแล้วเนะี่ยมันเป็นอาการของโลกโกรธหลงทั้งนั้นตัณหาเองก็คืออาการของโลกโกรธหลง แต่ว่าแน่นอนเราก็อยู่ในโลกเราก็เป็นสมาชิก ค, คนหนึ่งของโลกเราก็คงจะตัดตัญหาทีเดียวไม่ได้นะทำยังไงจะบรรเทาตัญหาในอารมณ์ทั้งหลายหลักการสำคัญโดยสรุปเนี่ยในกรณีของปัญหาเรื่องปากเรื่องทองซึ่งเราถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนขางมา คือทำยังไงว่าจะพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโูคใช้สอยปัจเจ sĩ ปัจเจ sĩ ถ้าเราเข้าใจสาระถักเข้าใจเนื้อหาของแกแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่เคยทดลองชีวิตพระเนี่ยก็เรียกว่าเป็นชีวิตอาหารเสือคือบางทีอาหารมันเยอะพระเนี่ยแต่เราก็ฉันพออิ่มท่านั้นแหละ บางทีไม่มีอะไรนะฮะข้าวครุกกะปิมันก็ชันไปได้ก็เรียบร้อยก็ไม่เห็นมีอะไรพราะพระเจ้าจึงทรงสอนคําสอนอยู่คําหนึ่งถึงใช้คำว่าอย่าปนมัำตางคืออย่างอัตว่าไปเป็นไปได้อาหารอะไรก็ได้หยาบก็ได้ละเอียดก็ได้อย่าให้มันทําให้ท้องไส้เสียก็แล้วกันเนะี่ยคือดูที่ความสะอาดกับอยู่ดูที่อย่าให้เป็นพิษเป็นภยัยแก่ร่างกาย ก็พอแล้วส่วนอาหารเหล่านั้นจะเป็นหยาบกลางอร่อยแม่อร่อยมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่ครหรือพยายามที่จะทํำยังไงไปให้มันผ่านลําคอลงไปแล้วก็หล่อเลี้ยงร่างกายไปได้ก็พอแล้วเครื่องนุ่มหอมมันก็อีรอบเดียวกันคนเราจะนุ่มหอมสวยงามยังไงก็ก็ก็มันเป็นผ้าเป็นสวยงามอย่างที่ ท่านกล่าวไว้ว่าคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช้ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช้ยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช้บ้านโตเมื่อหาสาระแก่นแท้ของความงามจึงไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าแผลพันุเครื่องใช้ไม่สอยปัจจัยสี่ที่บริโภคใช้สอยอยู่ในขณะนั้นนั้นแต่ว่าการที่ใครก็ตามสามารถ ควุมความคิดจิตใจของตัวเองเอาไว้ไม่อนไว้ไปตามกระแสตัณหาที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ถูกตนะัณหาเผกตัณหาปรักสายเสือกสายไปได้มีความบอกกั้นความบดทนต่ออารมณ์ที่มากระแทกกระทันจิตใจโดยพยายามไม่ให้ออนไว้ไปตามอารมณ์เร น, นั้นได้นั้นเป็นความงามจริงๆ จงเราจะเห็นว่ามันเป็นการชดเชยความงามในรูปร่างหน้าตากับเสื้อผ้าแพรพันเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะแต่ว่าสาระมันน้อยแต่เงื่อนไขมันเยอะแต่ความงามในด้านความเป็นผู้ดีความเป็นผู้ ม, มีศีลหรือความงามในด้านคุณธรรมความดีเนี่ยเงื่อนไขไม่มากเพียงแต่ว่าทำยังไงเราจะ สามารถรักษาธรรมะเอาไว้เช่นมีคันติมีความข่มใจมีความเมตตามีความอปุปอมอารีต่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยมีมิตรจิตรมิรจใจกับคนทั้งหลายพยายามสร้างความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นได้มันก็กลายเป็นความงามที่ถาวรยัง่งยืนแล้วก็เป็นแก่นแท้เป็นสาระเป็นเนื้อหาของชีวิต เป็นคุณภาพของชีวิตจริงๆต้องฟังเทลายแต่โรวงประโพติยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเปงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญกอบกางพัยบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเทลายโดยโทั่วกันสวัสดี